สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยสิบสองรับการข่มเหงหนึ่งพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่หกข้อสิบสี่จนถึงข้อที่ยี่สิบเก้าพระธรรมมาระโกบททีาา่หกข้อทีาา่สิบสี่จนถึงข้อที่ยี่สิบเก้าฝ่ายกษัตริย์เฮโรดทรงทราบเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระเยซูได้เลื่องลือไปบางคนพูดว่า ยอนผู้ให้บัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเหตฉะนั้นจึงทําการมหัศจรรย์ได้แต่คนอื่นว่าเป็นเอริยและคนอื่นอื่นว่าเป็นผู้เผยพระชนะเหมือนคนหนึ่งในพวกผู้เผยวิะวจนะโบราณไาเฮโรดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าคือยอนนั่นเองที่เราได้ตัดศีรษะเสียท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยว่าเฮโรดได้ใช้คนไปจับยอนล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาฟิลิปน้องชายของตนด้วยเฮโรดได้รับนางนั้นเป็นภรรยาของตนฝ่ายยอนได้เคยทูลเฮโรดว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับภรรยาของน้องมาเป็นภรรยาของตนนางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอนและปรารถนาจะฆ่าเสียแต่ฆ่าไม่ได้เพราะเฮโรดยำเกรงยอนด้วยรู้ว่าท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์เฮโรด จึงได้ป้องกันไว้เมื่อเฮโรดได้ยินคําสั่งสอนของท่านก็ให้ฉงนสนเทนะแต่ก็ยังยินดีอยากฟังครั้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสดีคือวันฉลองวันกําเนิดของเฮโรดเฮโรดได้จัดการเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสาคัญทั้งปวงในแคว้นกาลิลีเมื่อบทตรีของนางเฮโรเดียสเข้ามาเต้นราทาให้กษัตริย์เฮโรดและแขกทั้งปวงชอบใจ กษัตริย์จึงทูลกับหญิงสาวนั้นว่าเธอจะขอสิ่งใดก็จะให้สิ่งนั้นและกษัตริย์จึงทรงปฏิ ญ, ญาณตัวไว้ว่าเธอจะขอสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้นจนถึงกึ่งราชสมบัติหญิงสาวนั้นจึงออกไปถามมารดาว่าฉันจะขอสิ่งใดดีมารดาจึงตอบว่าจงขอศรีสะยอนผู้ให้รับบัพติมาเถิดในทันใดนั้นหญิงสาวก็รีบไปเฝ้ากษัตริย์ทูลว่าหม่อมฉันขอศรีสะยอน ผู้ให้บัพติสมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เพคะกษัตริย์ทรงเป็นทุกข์นักแต่เพราะเหตุได้ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกก็ขัดไม่ได้ในขณะนั้นกษัตริย์จึงรับสั่งเพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอนมาเพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะยอนในคุกใส่ถาดมาให้แก่หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้แก่มารดาของตนเมื่อสิทธิของยอน รู้เหตุแล้วก็พากันมารับศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์พี่น้องครับชีวิตคริสเตียนทุกคนนะครับที่รักพระเจ้าที่อยู่ในทางของพระเจ้าที่เชื่อฟังพระเจ้าที่ปรนนธาตัวถวายการรับใช้แด่พระเจ้าแน่นอนครับย่อมต้องถูกข่มเหงย่อมต้องผ่านการทดลองอย่างแน่นอนพี่น้องครับในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ ทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้ขัดขวางที่พระเยซูและยอนจะต้องเผชิญในช่วงปีสุดท้ายแข่งพระราชกิจของพระองค์เรารู้นะครับว่าขณะที่พระเยซู ย, ยังทรงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนนะครับ ท, ทั้งที่ถูกขัดขวางอยู่พระองค์ก็ยังมีความปรารถนาดีและพระองค์ไม่ได้ย่อท้อในการทาดีเพื่อคนอื่นในขณะเดียวกันครับชีวิตคริสเตียนของเราก็จะต้อง ฝึกตัวเองครับให้สามารถรับมือกับการต่อสู้ขัดขวางและการข่มเหงได้เราจะเห็นนะครับว่าพระราชกิจของพระเยซูนั้นกนําลังเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิถีทางเพราะเนื่องจากว่าพระองค์ทรงทราบนะครับว่าเวลาของพระองค์นั้นเหลืออยู่เพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นเองหนึ่งปีหรือสิบสองเดือนนะครับก็จะต้องถูกตึงกังเขนพระเยซูก็เริ่มที่จะปลีกตัวไปยังที่ต่างๆที่พระองค์ทรงสอนเหล่าสาวกนะครับปลีกตัวไปทําไมครับ เพื่อที่จะสอนเหล่าสาวกอย่างเป็นการส่วนตัวพระองค์ทรงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในเมืองต่างๆเพราะหลายๆคนที่เคยได้รับการรักษาให้หายนั้นก็ไปโพรธนาทําให้พระเยซูไม่สามารถเข้าเมืองอย่างได้ว่าปกติได้พี่น้องครับพระองค์ทรงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในเมืองต่างๆซึ่งพวกผู้นําของยิวก็คอยจะโต้แยง้งคอยจะจับพระเยซูนะครับมีผู้ที่เรียกปีที่สามของการรับใช้ของพระเยซูนี้ว่าเป็นปีแห่งการต่อต้านขัดขวางครับ ปีแห่งการต่อต้านขัดขวางนะจากวันนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าแต่งนี้ไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวของปีสุดท้ายแห่งการรับใช้ของพระเยซูครับปีสุดท้ายแห่งการรับใช้ของพระเยซูเป็นปีแห่งการต่อต้านขัดขวางพี่น้องครับการที่นี่ประชาชนนั้นนิยมชมชอบนะครับพระเยซูก็เป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นภาวะคุกคามหรือเรียกว่า s t r e นะครับในภาษาอังกฤษภาวะคุกคาม เกิดกับกษัตริย์เฮโรดครับพี่น้องคงจําได้นะครับตอนที่พระเยซูเกิดนะครับทรงถือกําเนิดในโลกนี้ทรงบังเกิดก็กษัตริย์เฮโรดนะครับก็แต่เป็นเฮโรดมหาราชเป็นเฮโรดคนละองค์กันนะครับอันนี้เฮโรดนี้เป็นเฮโรดก็ถูกคุกคามเหมือนกันตอนสมัยนั้นก็ถูกคุกคามจะต้องฆ่าทารกนะครับฆ่าทารกที่เบตเลเฮมตั้งแต่สองขวบลงมาเช่นเดียวกันครับตอนนี้ ป ร, ประชาชนนิยมนับถือพระเยซูก็เป็นสิ่งที่คุกคามเป็นภาวะคุกคามของเฮโรอดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับพี่น้องครับยอนผู้ให้บัพติศมา ก, ก็รับการข่มเหงเช่นเดียวกันเพราะเขาบาังอาจต่อต้านเฮโรดในช่วงที่ยอนถูกจับขังคุกนะครับมัตทิวบันทึกว่าพระเยซูเสด็จจากแคว้นยูเดียไปปฏิบัติพระราชกิจของโปรงในแคว้นกาลิลีทรงย้ายที่ประทับไปที่คาเปอร์นาอุมท่านคงจำได้ใช่ไหมครับ ลูกาก็ระบุไว้ชัดเจนครับว่าทําไมย อ, อนถึงถูกขังคุกพี่น้องครับในวันนี้นะครับซึ่งเป็นตอนแรกเราจะมาดูกันครับว่ายอนนั้นถูกประหารชีวิตนะครับเพราะเกิดอะไรขึ้นลูกานะครับมัตทิวก็บันทึกว่าเฮโรดนั้นเป็นเจ้าเมืองมารโกบันทึกว่าเฮโรนนั้นเป็นกษัตริย์คําว่าเจ้าเมืองนะครับหรือกษัตริย์เนี่ยหมายถึงผู้ที่ครองแคว้นหรือมนตรเฮโรดคนนี้นะครับเป็นลูกของเฮโรดมหาราช ที่เคยสั่งประหารชาวจะสั่งประหารทารกชาวยิวนะครับอายุสองขวบลงมาเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะครับขณะที่พยายามจะฆ่าพระเยซูให้ได้นะรเราพบว่านะครับเฮโรดคนนี้เป็นพระองค์เนี่ยเป็นที่รู้จักในนามของเฮโรดอันทิพัสครับผู้ปกครองแคว้นกาลิลีและเพอรียนะครับตั้งแต่ปีก่อนคศที่สี่จนถึงปีคศที่ส9มสิบเก้าเพราะฉะนั้น อย่าจำสับสนกับเฮโรดอาคารัสซึ่งเป็นพี่ชายเฮโรดฟิลิปเฮโรดอาทิธโจบุรัสหรือเฮโรดฟิลิปที่สองซึ่งปกครองชนอื่นของปาเลสไตน์อยู่นั้นพี่นะครับเฮโรดอันทิพัสเนี่ยคือผู้ปกครองที่ได้สั่งจำคุกยอนผู้ให้ บ, บัพสมาและเฮโรดผู้นี้เป็นคนเดียวกับที่ภายหลังจะเป็นคนที่แต่สวนพระเยซูก่อนพระเยซูประหารชีวิตพี่นะครับจำง่ายๆครับว่า เฮโร่ที่ประหารทารกนั้นก็คือเฮโรดมหาราชนะครับเฮโรดมหาราชส่วนเฮโรดผู้ลูกนะครับก็ชื่อว่าเป็นเฮโรดที่สั่งจําคุกยอนนะครับก็คือเฮโรดอันทิพัสนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพ่อลูกกันทีนี้เรากลับมาดูครับว่าอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเฮโรดนั้นได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูนะครับฟัง พ, พี่บอกว่าเรล่าสาวกก็ออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวปรเสรินะครับ ฝ่เฮโรดได้ยินเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จึงคิดสงสัยมากทํำไมสงสัยครับสงสัยว่าพระเยซูเป็นผู้ใดนะครับบางคนก็บอกว่าพระเยซูเป็นยอนให้บับติศมาผู้ซึ่งเป็นขึ้นเหนือความตายบางคนก็บอกว่าพระเยซูเป็นเอลียาบางคนก็บอกว่าพระเยซูเป็นหนึ่งในบรรดาผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพิะชนะซึ่งเป็นเื่อนเหนือความตายนะครับผู้เผพยพระชนะเหล่านั้นเป็นผู้อิมเมตตที่เคยเผยเพรชนะในสมัยโบราณนะครับอันนี้คือ การคาดคะเนนะครับหรือเรียกว่าการมโนเอาว่าพระเยซูเป็นใครพี่น้องครับผู้เขียนหรือผู้บันทึกพระสิทคนนั้นได้แทรกเรื่องราวเพื่อที่จะเล่าว่ายอนตายยังไงนะครับเขาเรียกว่าเป็นบทแทรกจากอดีตนะครับภาษาอังกฤษเค้ว่า flash back ก็คือว่าเหมือนกับในการสร้างหนังนะครับพอเวลาพูดถึงปัจจุบันมา เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ย้อนไปว่าอดีตเกิดขึ้นอะไรนะครับเป็นบทแทรกจากอดีตพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูต่อครับว่าบทแทรกจากอดีตก็คือการที่ฮฮโร น, น, นั้นสั่งประสารชีวิตย้อนเพื่อปัสสาวนั้นมันเกิดเหตุขึ้นมาอย่างไงอย่างนี้ก็ตามครับในเช้าวันนี้นะครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมได้รับในเช้าวันนี้จากการศึกษาเรื่องของการข่มเหงน้ครับพระวจนะพระเจ้าได้บอกครับว่าบรรดาผู้ที่มีความเชื่อมีความศรัทธานั้น เขาจะต้องถูกข่มเหงอย่างแน่นอนการข่มเหงนี้อาจจะมาจากคนใกล้ชิดการข่มเหงนี้อาจจะมาจากศัตรูของเราการข่มเหงนี้อาจจะมาในหลายๆทางที่เราไม่รู้พี่น้องครับสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้และทราบไว้ก็คือของแน่ก็คือการข่มเหงครับแต่สิ่งที่ไม่แน่ก็คือว่าเราอาจจะพลาดและล้มลงจากการข่มเหงนี้ได้แต่ของที่แน่กว่านั้นก็คือพระเยซู ทรงเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราในการข่มเหงนั้นเพื่อที่จะให้เราผ่านการข่มเหงนั้นนะครับความทุกข์ยากลา บ, บากนั้นทาให้เราเป็นคนที่อดทนความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราหรือพิสูน์เราว่าเป็นคนที่ใช้การได้พี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าก็ได้บอกเราว่าหากว่าเราปรารถนาที่จะเป็นคนที่ใช้การได้เราจะต้องอดทนมากกว่านี้นะครับพระเจ้าของพระเจ้าก็บอกผม ส่วนตัวในวันนี้ก็จะต้องเป็นคนที่อดทนมากกว่านี้เป็นคนที่ต้องกร้ามศึกมากกว่านี้เพื่อที่พระวจนะพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้านะครับจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอีกมากมายผ่านชีวิตของพวกเราทุกทั้งหลายทุกคนอามน